ในสุตตันนิบาตหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเพิ่มเติมย่อหน้าว่าคําว่าแรงเห็นโทษที่เกิดจากความเยื่อยใยอธิบายว่าความทุกเนี่ยนะความหมายก็คือเห็นโทษก็คือเห็นความทุกข์ที่เกิดตามมาจากความเยื่อใยไหมว่าความเยื่อใยนี้เป็นสายสัมพันธ์แห่งความทุกเหมือนั้นทุกเนี่ยติดตามความเยื่อใย โดยความเยื่อใยนี้ผูกทุกข์เอาไว้กับทุกข์นั่นเองอธิบายว่าความเยื่อใยย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องเกิดขึ้นแล้วด้วยความเกี่ยวข้องตามที่กล่าวแล้วความทุกข์นี้ติดตามความเยื่อใยเราเล็งเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความเยื่อใยทำความเสียแทงตามที่กล่าวมาแล้วจึงบรรลุอย่างนี้นะซึ่งใน จุลนิเทศอธิบายเพิ่มเติมว่าความเกี่ยวข้องนั้นหมายถึงความเกี่ยวข้องด้วยการเห็นกับการเกี่ยวข้องด้วยการฟังคําว่าความรักนี่มาจากบาลีคําว่าสเสนหานนนมาจากคําว่าสเนาสเนหะเสนหามีอยู่สองอย่างคือสเสนหาด้วยตันหากับด้วยทิฏฐิความรักหรือความสเสนหาด้วยอํานาจตันหาเป็นไงนะ สิ่งที่ทําให้เป็นเขตทําให้เป็นแดนทําให้เป็นส่วนทําให้มีส่วนสุดรอบการกําหนดถือเอาความยึดถือว่าของเราโดยส่วนแห่งตัญหาเท่าไหรคือบุคคลถือเอาว่าสิ่งนี้ของเรานั่นก็ของเราสิ่งเท่านั้นของเราของของเราเนี่ยมีส่วนเท่านี้นะโหจัดแจงได้หมดของเราเนี่ย รูปนี้ของเราเสียงนี้ของเรากลิ่นนี้ของเรารถนี้ของเราโพธภาษนี้ของเราเครื่องลาดนี้ของเราเครื่องนุ่งห่มของเราธาตุธาสีแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาไรนาที่ดินเงินทองบ้านเราอันน้จนถึงบ้านเรานะหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราราชธานีเมืองของเราแคว้นของเราชนบทของเรา ช้างข้าวก็ของเราคลังก็ของเราแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดก็ของเราด้วยอํานาจตันหา น, น, นะนะลักษณะของตันหาก็คือการยึดถือว่าเป็นของเรานั่นเองแล้วแต่ว่าถ้าพูดระดับจั ก, กรวาลบอกโลกของเรางั้นอยงของเราอี ก, ก น, นะพอพูดจั ก, กรวาลเยอะๆจั ก, กรวาลบอกนี้จั ก, กรวาลของเราตันหานี่มันยิ่งใหญ่จริงๆตันหาวิปริตร้อยแปดชื่อว่าความรักด้วยอํานาจตันหาความเสน่หาด้วยอํานาจตันหา คือลักษณะความสำคัญว่าเป็นของเรานั่นแหละเรียกว่าตันหาคือคือเขาไม่รู้หรอกว่าไอสิ่งที่เขายึดถือเนี่ยเขาจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นขนาดไหนคือถ้าหากว่ารู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งที่ยึดไว้เนี่ยยึดไว้ซึ่งกองไฟเนี่ยนะแล้วก็ความยึดถือมันก็จะลดลงไปตามแต่เห็นโทษเนี่ยนะถ้าเห็นโทษมากก็คลายความยึดได้มากเห็นโทษน้อยก็คลายความยึดได้น้อยอั น, นาไม่ลืมว่าความยึดถือนี้ ผลออกมาก็คือความทุกข์เน่ยนะถ้าใส่ใจไว้บ่อยๆว่าผลของความยึดถือทุกอย่างนํามาซึ่งความทุกอันนี้ก็จะทําให้ละคลายความสเสน่หาความเยื่อใหญ่ความรักเหล่านั้นออกไปได้ความรักด้วยอำนาะจทิฏฐิเป็นไนะสกายทิฏฐิมีวัตถุ20่ิบมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10อันตากาหิกะทิฏฐิมีทิฏฐิมีวัตถุ10สกายทิฏฐิ20ตรงนี้ยกตัวอย่างทิฏฐิ40 แล้วก็บวกทิฏฐิ62อีกเป็นทิฏฐิร้อยเท่าไหร่ทิฏฐิร้อยสองอ่ะนะโอ้ยสารพัดเนี่ยเกือบถึงร0อยแดเลยนะขาดอีก6สกายทิฏฐิมีวัตถุ20มีอะไรบ้างเห็นรูปโดยความเป็นตนเป็นตน้นมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุส0บก็คื อ, อการให้ทานไม่มีพ้นการรักษาศีลไม่มีพ้นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเป็นต้นอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสบ ส่วนอันตักคาฮิกาทิฐิมีวัตถุเสษเช่นวโลกเที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่บอกไม่ใช่โลกไม่เที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่บอกเที่ยงก็มีไม่เที่ยงก็มีบางอย่างเที่ยงบางอย่างก็ไม่เที่ยงก็ถกกันไปนี่เรียกว่าอันตัคาหิกาเนี่ยนะพวกถือเอาแบบสุดๆเหมือนกันเถอะทิฐิเห็นปานนี้ทิฐิไปแล้วทิฐิรกชัดตัวมิจฉาทิฐิเนี่ยมันที่มันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยมันรกชัดมาก แต่พูดถึงความกันดารเนี่ยอะไรจะ ก, กันดารเท่ากับมิจฉาทิถิไม่มีอีกแล้วมนะันทิฐิกันดารทิถิเป็นเหมือนกับเสี้ยนน้ำนะเหมือนกับเสี้ย น, นเหมือนกับน้ำถ้าถ้าใครเข้าป่าบ่อยบแล้วถูกน้ําตําบ่อยบ่อนี่จะรู้ว่าเห ม, มือนเสี้ยนน้ำเนี่ยเข้าใจชัดเนี่ยนะแล้วเดิมมันถลอกเปอกเปิกหมดเลยนะตัวนี้เป็นริ้วหมดเลยใครเข้าป่าบ่อยบเนี่ยนะจะรู้ว่าแขนเนี่ยเป็นริ้วหมดขานี่ยิ่งเป็นริ้วใหญ่เลยเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วเนี่ยนะบางทีพวกเช่นพวกน้ําน้ําหวเนี่ยนะน้ำไหว ต่างๆน้ําต้นไม้ต่างๆเนี่ยเพลอแผลบเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยครูดแป๊บก็ไปแล้วเป็นรียวเป็นริยวเป็นรียวเป็นรียวเนี่ยเหมือนรอยข่วนเต้ไปหมดเลยมันทิถีจึงเหมือนเสี้นนหําทิถีนี่มันกวัดแกว่งมันไม่ค่อยแน่นอนสักพักหนึ่งบอกว่าเที่ยงอีกพักหนึ่งบอกไม่เที่ยงอีกแล้วไม่ค่อยแน่นอนอ่มันแกว่งไปเหมือนนาฬิกาแล้วนะทิถิเป็นสังโยชตคือสังโยตคืออะไร เครื่องประกอบเอาไว้ความถือความถือเฉพาะความถือมั่นการรูปคาทางผิดคลองผิดทางก็ผิดคลองก็ผิดเนี่ยนะความเป็นผิดเรียกว่ามิจฉตตะภาวะที่ผิดแล้วก็ลทัทธิแห่งเดรัจฉลทัทธิเดรัจฉความถือด้วยการแสวงหาผิดความถืออันวิป ร, ริตความถืออันวิปรลาดความถือผิดความถือว่าจริงในวัตถุที่ไม่จริง อั น, นี้เรียกว่าทิฏฐิหกสิบหรือทิฏฐิหกประการชื่อว่าความรักด้วยอำนาจมิจฉาทิฐินเนีน่ยนะเรียก ว, ว่าความรักด้วยตันหากับรักด้วยทิฐิถ้ารักด้วยตันหาบอกนั่นของเราถ้ารักด้วยทิฐินั่นอัตตาของเราเป็นต้นนั่นเองความรักทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องความว่าความรักด้วยอำนาจตันหาความรักด้วยอำนาจทิฐิย่อมมีคือย่อมเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะย่อมปรากฏ เพราะเหตุแห่งวิปลาดทั้งหลายอที่จริงคิดง่ายๆว่าที่ที่ที่ความมีความรักความยื้อย่ายี่นี่มันเกิดจากวิปลาดสําคัญว่างามสําคัญว่าเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตาคือถ้ามันไม่สําคัญผิดอย่างนั้นมันไม่ยึดหรอกเพราะเหตุแห่งความเกี่ยวข้องกันได้เห็นและได้ยินฉะนั้นจึงชื่อว่าความรักย่อมมีแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกย่อมติดตามทุกย่อมปรากฏเพราะเกิดมาจากความรักว่า บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติความชั่วด้วยกายบ้างประพฤติความชั่วด้วยวาจาบ้างประพฤติความชั่วด้วยใจฆ่าสาัตว์รักทรัพย์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตัดที่ต่อปล้นเรือนบ้างทําการปล้นเรือนเฉพาะหลังเดียวบ้างจะดักตีชิงในทางเปลียวบ้างครบชู้ภรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้าง พวกราชบุรุษก็จับบุคคล น, นั้นแล้วก็ทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติ ช, ชั่วขอพระองค์จงลงพระราชอาทยาตามประสงค์แก่ผู้นั้นเพราะมันเลวมันทำผิดมันฆ่าสัตว์มันลักทรัพย์มันประพฤติผิดกามเมมันมู่สาวาตอย่างเงนะพระราชาก็บริภาษผู้นั้นด่าเลยพระราชาก็เลยดา่าผู้นั้นก็เสเวยทุกแม้เพราะเหตุแห่งความบริภาษแล้วว่าถูกด่าใครจะยิ้มมั้งไง เจ็บเสียอกเสียใจว่างั้นทุกโทมนัสอันน้ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความรักเหตุแห่งความยิ น, ด, นดีเพราะเหตุแห่งความกำหนัดเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอํานาจความยินดีของผู้นั้นแปลภาษาไทยว่าถูกด่าก็เพราะความรักว่างั้นเนี่ยที่มาว่าที่ถูกดา่าถูกอะไรสารพัดเต็มนะก็เกิดจากทุกให้ด่าก็ช่างมันเป็นสาวไปหาเหตุจริงๆก็เกิดจากความเสน่หานั่นแหละ พระราชาก hmm. ็ยังไม่พอพระไทยแม้ด้วยพระราชอาทยาการลงโทษเหล่านั้นร <ielle> ับสั <forgetting terrible. S 2> ่งให้จองจํำผู้นั้นด้วยการตอกขือบ้างการผูกด้วยเชือกบ้างการจําด้วยโซ่บ้างการผูกด้วยเถาวันบ้างการกักไว้ในที่ล้อมั่งแปลว่าเข้าคอกภาษาทางเหนือเรียกเข้าคอกภาษาไทยเรียกเข้าคุกด้วยการกักไว้ในบ้านบ้างกักไว้ในนิคมบ้างกักไว้ในนครบ้างกักไว้ในแว่นแคว้นในชนบท ทรงทาให้อยู่ในถ้อยคำเป็นที่สุดคือบังคับว่าเจ้าจะออกจากที่นี่ไม่ได้ผู้นั้นก็สเสวยทุกข์แม้เพราะเหตุแห่งพันธนาการทุกโรมนัตอันน้ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะาเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเหตุมาจากความกำหนัดเหตุมาจากความกาหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้น น, นะสูตรเขามีง่ายๆว่าครุกคลีความรักแล้วก็ความทุกขนะ์ไงตามมา แต่แล้วก็สั่งลงโทษไม่พอเพราะว่าพอมีความรักแล้วคนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเราไปทําความชั่วย่างอื่นตามอีกเยอะแยะไปหมดเลยพระราชาไม่พอพระทัยด้วยพระราชาอัญฉรเท่านั้นยังรับสั่งให้ริบทรัพย์ของผู้นั้นร้อยหนึ่งพนหนึ่งมันนะสั่งริบซับเลยใช่ไหมผู้นั้นเสเวยทุกโทมนัดแม้เพราะเหตุแห่งความเสื่อมทรัพย์ทุกโทมนัดอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรน่ากลัวนี้ทศสูกสั่งริบซับเนี่ยเพราะอะไร เพราะเกิดเหตุจากความรักเกิดเหตุจากความยินดีเกิดจากความกำหนัดเกิดจากความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นแปลว่าถูกริบทรัพย์ถูกเสียค่าปรับสินไหมทั้งหลายแหล่เป็นต้นก็เกิดจากความรักนั่นแหละพระราชายังไม่พอพระทัยแม้ด้วยอาทยาเท่านั้นยังรับสั่งให้ทำกรรมกรลงโทษ ด, ด้วยชนิดต่างๆแก่ผู้นั้นคือเช่นสั่งให้เคี่ยนด้วยแซ่บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้าง ต่อขาบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าตัดใบหูตัดจมกูกเหมือนเรื่องสังทองไงนะตัดทั้งหูตัดทั้งจมกูกทําให้เป็นผู้มีหมอเข้าเดือดบนศีรษะบ้างะนะหมายคาอว่าเอามีดกรีดถลอกหลังศีรษะแล้วก็เปิดกะโหลกแล้วก็เอาก้อนเหล็กแดงๆวางแล้วก็มันล้นออกมาเรียกว่าวางให้หมอเข้าวเดือดบนศีรษะไม่ใช่หมอเข้ามาตั้งบนศีรษะนะหมายคือว่าสมองเนี่เดือดออกมาเลย ให้ถลกหนังศีสากให้โลนแล้วก็ขัดให้มีสีขาวเหมือนสีสังบ้างะนะขัดกระโหลกเลยว่างั้นนะให้มีปากเหมือนปากราหูบ้างก็ว่ า, อ, าอะไรนะมีดปาด ก, กรีดปากมาจนถึงเนี้ยปากราหูเขาว่านะปากกว้างเลยทำให้มีไฟลุกที่มือบ้างก็มัดมือแล้วก็จุดไฟเผาอะนะจุดไฟไม่มือ่อถลกหนังแล้วก็ผูกเชือกฉุดไปมาบ้าง ตลกหนังเป็นริ้วเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างนะนะทำให้มีห่วงเหล็กที่ข้อศอกและที่เขา่าแล้วก็ใส่เหลาเหล็กตรึงเอาไว้บ้างฟังดูว่าระบบการลงโทษสมัยโบราณเป็นยังไงแหละเอาเบ็ดเกี่ยวเอาเบ็ดเกี่ยวติดที่เนื้อปากบ้างนะเกียวเบ็ดเนี่ย น, นะเกียวไปควักแล้วก็ดึงเกี่ยวแล้วก็ดึงเกี่ยวแล้วก็ดึงเนี่ย น, นะถูกตรงไหนก็หลุดมาหลุดมา เอามีดพระถากตัวให้เป็นเท่ากับหาปลาะนะ้บ้างแลท่ทีลรบาททีระบาดสองบา ท, บาทเป็นชิ้นๆเอาไปทอดแบบพะนางอะไรมาคันที่ยาทอดเสร็จก็ให้กินเลยทอดเสร็จก็ให้กินเลยแล้วก็เอาพระถากแล้วก็ทาด้วยน้ําแสบบ้างนะหมายความว่าทําให้เป็นรียวๆแล้วก็ถากเกลือเป็นต้นเนี่ยนะเป็นๆนะแต่เชื่อไหมว่าถ้ามนุษย์เนี่ยฟังอย่างนี้บอกวุ้ย ไม่น่าเลยนะโหดเยี่ยมจังเลยแต่ถ้าเดรฉ า, านนะถูกทาอย่างนี้ปกติอย่างเช่นปลาเนี่ยเขาไม่ได้บางทีเขาไม่ทุบนะเขาก็อมีด่าเป็นเริยวๆแล้วก็ถากเกลือเลยถ้าเป็นแล้วก็เข้าไปปิ้ ง, งแบบนั้นอนะ่ะแบบเป็นๆ น, น, นั่นแหละมันตายคาไฟนั่นแหละเขามีแบบแบบขั้นกาต้มอะไรนะเอาผักบุ้งแบบผักบุ้งก้านโตๆเลยนะแล้วปลาตัวน้อยๆมาต้มแล้วก็ใส่ทั้ง ปลาตัวน้อยด้วยผักบุ้งด้วยต้มแล้วมันก็เข้าเข้าเข้าเข้าไปมันหนีหนีหนีไปพึ่งในซ่อนนั่นนะนะเขาเรียกว่าผักบุ้งยัดไส้ขเข้งกันนะมันก็มันวิ่งเข้าไปหลบไปเองอนะเชื่อไหมเวลาเวลากรรมมันให้ผลมันจะคล้ายๆกันนี่ยแหละอันหนึ่งเรียกว่าต้มเปรตเนี่ยนะต้มเปรก็น้ําเดือดพล่านแล้วก็เทปลาไหลใส่ลงไปโครมเนี่ยนะใส่ปลาไหลลงไป ก็ดีแล้วที่ใครทำไม่เป็นนึกไม่ออกไม่เป็นไรหรอกมันดีมากมายแล้วมีบุญมาก น, นนะใครเคยทำเอาไว้ก็หนีเถอะถ้าทำบุญนี้ไม่รอดนี่เดือดร้อนแน่ถูกต้มแน่หรือไม่ก็ต่อไปบอกว่าให้นอนลงกับพื้นแล้วก็เอาเครื่อันอนตะแคงเอาหลาวเหล็กนี่ตรึงเข้าไปในช่องหูแล้วตอกลิ่มตอกตะปูยาวๆเป็นสอกๆเนี่ยนะทิ่มไปที่หูแล้วก็ตอกติดกับพื้นแล้วก็จับหมุนเป็นนาฬิกาเล่น ถลกหนังแล้วก็ทุบพันไว้เหมือนตังคใหม่ๆมาทุบซะกระดูกละเอียดหมดอ่ะนะมีวิธีการให้กระดูกป่นหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่ให้ตายง่ายๆนะแกล้งให้มันเคสพวกนี้เขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูการกระทําแบบนี้เขาต้องการทําสักคนสองคนเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้าคนอื่นทําแบบนี้แกจะได้รับผลอย่างนี้นะรถตัวด้วยน้ํามันร้อนบ้างเนี่ยนะเรียกว่าทอดสดๆทอดเป็นๆนะนะตักน้ําร้อนเนี่ยมาราดเดือด ให้สุนัข ก, กัดกินเนื้อที่ตัวบ้างเอาเหลาเสียบไว้บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างตัดหัวด้วยดาบแล้วแต่ว่าวิธีการตัดวิจิตพิสด า, ารต่างๆ <_ c oughs> ถ้าเป็นพวกสงครามเนี่ยนะเห็นชัดเวลาตะกุยกำแพงเมืองเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะต้มน้ํามันเดือดๆเลยมาแล้วก็เทน้ําเดือดน้ํามันเนี่ยราดใส่ราดใส่ราดใส่เนี่ยนะมี ท, ทั้งทั้งเอเชียและยุโอรปก็ทําเหมือนกันไอราดน้ํามันเดือดๆใส่เนี่ยเวลาเวลาสงครามเวลาแบบสงครามแบบ ใช้มีดใช้ดาบเนี่ยนะผู้นั้นก็เสวยทุกแม้เพราะเหตุถูกลงโทษอย่างนั้นทุกโทมนัสอันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะความรักเนี่ยนะเพราะความยินดีเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีพระราชาผู้เป็นใหญ่ลงอาจยาสีอย่างนี้อันนี้เฉพาะชาตินี้นะเมื่อแตกกายตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้น นี่มาฟังนรกเล่นๆดูนะเพื่อจะได้รับรู้เอาไว้ว่าเอออย่างนี้ก็มีนะไม่จำเป็นต้องไปหรอกแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเอออย่างนี้ก็มีเหมงนันอนนถ้าตกนรกเป็นยังไง